ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินญาสังหาอาัตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการเจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่สาสิบเอ็ดโชดาดิวินิชยกถากะถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องของการโจ์อาบัตเป็นต้น ในคำว่าการวิจัยในการโจทย์เป็นต้นนี้มีเนื้อความดังต่อไปนี้ถามว่าก็ใครย่อมโจทย์ได้ใครย่อมโจทย์ไม่ได้ตอบว่าอันดับแรกพริสูจบางรูปเชื่อคาของโจทย์เพาย่อมโจทย์ไม่ได้ชื่อว่าโจทย์เพาคือเมื่อพวกพิสุจํานวนมากนั่งประชุมสนทนากันพิสุรูปหนึ่งพูดถึงวัตถุปาราชก รากถึงพิกษุรูปหนึ่งไม่เจาะจงตัวพิกษุอื่นได้ยินคําของพิกษุนั้นจึงไปบอกแก่พิกษุเจ้าตัวภิกษุรูปนั้นจึงไปหาเธอกล่าวว่าได้ยินว่าท่านพูดอย่างนี้อย่างนี้ถึงผมหรือเธอจึงตอบว่าผมไม่รู้ว่ารูปการจะเป็นอย่างนี้แต่ในขณะที่พูดมีถ้อยคําที่ผมพูดไม่เจาะจงถ้าผมรู้ว่าคําพูดนี้จะเกิดทุกข์แกท่าน ผมจะไม่พึงพูดถ้อยคำแม้เท่านี้เลยนี้ชื่อว่าโจท์เขาโจท์บางรูปถือเอาคำพูดสนทนานั้นของเธอไม่ได้เพื่อจะโจดภิกษุนั้นแต่พระมหาปฐุมเถระไม่เชื่อถ้อยคำนี้กล่าวว่าภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมโจ์ภิกษุหรือภิกษุณีได้และภิกษุณีผู้มีศีลสมบูรณ์ย่อมโจดเฉพาะภิกษุณีได้เท่านั้นดังนี้ ฝ่ายพระมหาสุมัาเถระกล่าวว่าสาสธมิตรทั้งห้าย่อมได้ดังนี้ฝ่ายพระโคทัศตเถระกล่าวว่าใครๆจะไม่ได้เพื่อจะโจธาบิได้แล้วอ้างสูตรนี้ว่าฟังคําของพิจุแล้วจึงโจดฟังคําของภิกษุณีแล้วจึงโจดฟังคําของพวกสาวกเดรถีแล้วจึงโจดเพราะความละแสดงว่าความขมุกลคๆมาแล้วว่า โจดได้ที่เป็นวาทะของพระโค ท, ะะทัตเถระในวาทะของพระเถระทั้งสามรูปพึงกลับตามปสิญญาของจำเลยเท่านั้นคือใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่สรุปก็คือโจท์ได้นั่นแหละท่านแสดงเลยว่าในเถระวาทะทั้งหลายให้ถือเอาความเห็นสุดท้ายความเห็นสุดท้ายก็หนักแน่นที่สุดเพราะฉะนั้นโจท์ได้แต่ว่า ต้องถือเอาตาปฏิญญาของจำเลยก็คือปรับประบัติได้แต่เมื่อเขายอมรับถ้าเขายังไม่ยอมรับยังปรับประบัติไม่ได้ก็ต้องสืบสวนต่อไปก็ขึ้นชื่อว่าการโจดนี้มีสามอย่างคือโจดตามที่ได้เห็นหนึ่งโจดตามที่ได้ยินหนึ่งโจดตามที่สงสัยหรือว่ารังเกียจหนึ่งยังมีการโจดแม้เราอื่นอีกสีอย่างก็คือโจดด้วยศีลวิบัตหนึ่งก็ได้แก่พวกประชิดสังกัธิเศษ โจทด้วยอาจารยวิบัติหนึ่งก็ตั้งแต่ทุลักใจลงมาเป็นอาบัติเบาโจทด้วยทิฏฐิวิบัติหนึ่งก็คือด้วยความเห็นผิดความมีผิดต่างๆเห็นว่าโลกที่ยงโลการศูนย์ต่างเหล่านี้การไม่มีโทษพวกนี้เป็นความเห็นผิ ด, โ, โ, มม โ, ผดโจทด้วยอาชีวะวิบัติหนึ่งก็คือการเลี้ยงชีพผิดเลี้ยงชีพชั่วบรรดาการโจทศอย่างนั้น การโจลด้วยศีลระวิบัติพึงสร้างด้วยอำนาจแห่งกองอบัตหนักสองกองคือประรสิทธาคัญพิเศษการโจลด้วยอาจารยวิบัติพึงสร้างด้วยอำนาจแห่งกองอบัตที่เหลือก็ตั้งแต่ทุลใจโทษอ้วนปราจิตียังกุศลจิตทในต่อไปปฏิเดศติยะแสดงอาบัตคืนพิเศษแล้วก็ทุกกฎทําชั่วทุภารสิตกล่าวชั่วห้ากองนี้ในอบัตที่เหลืออาบัตเบา การโจทด้วยทิฐิวิบัติพึงทราบด้วยอำนาจแห่งมิจฉาทิฐิและอันตะคาหิกะทิฐิก็คือทิฐิที่แสดงหรือว่าถือเอาว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดนี้เป็นต้นการโจลด้วยอาชีววิบัติพึงทราบด้วยอำนาจแห่งสิกขาบทหกที่ทรงบัญญัติเพราะอาชีพเป็นเหตุที่สุก็อวดบดตรีมนุษยธรรมพื่อการเลี้ยงชีพหรือว่าไปชักสื่อไปเป็นผัวเมียกันเพื่อจะได้ค่าไปเป็น พอสื่อพอชักอะไรตรงนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องการเรียนชีพการโจดแม้อื่นยังมีอีกสีอย่างก็คือโจดระบุวัตถุอย่างหนึ่งโจดระบุอาบัตอย่างหนึ่งแล้วก็การห้ามสั่งว่าอย่างหนึ่งแล้วก็การห้ามสามีจิ ก, กรรมอย่างหนึ่งเป็นสีอย่างการโจดระบุวัตถุเขาเรียกว่า วัตถุสังสันดัชนาถ้าการโจดอบัติเขาเรียกว่าอาปฏิสังสันดัชนาการห้ามสังวาสนี่เขาเรียกว่าสังวาสปฏิเขโปการห้ามสามิจิกรรมนี่เรียกว่าสามิจิ ป, ปฏิเขโปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการโจทเหมือนกันบรรดาการโจดสี่อย่างนั้นโจด ท, ที่เป็นไปแล้วอย่างนี้ว่าท่านเสดเมถุนธรรมท่านนักทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ ท่านฆ่ามนุษย์ท่านอวดอุตริมนุษยธรรมก็คือคุณนิเศษที่ไม่มีจริงชื่อว่าโจด ร, ระบุวัตถุก็คือเรื่องที่ต้องอบัตินั่นเองที่คาบ ท, ที่ต้งตองอภัษฎนั้นเป็นวัตถุโจดที่เป็นไปโดยในเป็นต้นอย่างนี้ว่าท่านต้องอบัตฎปาราชิกเพราะเศษเมถุนชื่อว่าระบุอาบัติโจดที่เป็นไปโดยในเป็นต้นอย่างนี้ว่าอุโบสถก็ดีปวารณาก็ดีสังฆกรรมก็ดี ร่วมกับท่านไม่มีชื่อว่าการห้ามสั่งว่าการไม่กระทํากรรมมีการกราบไหว้ลุกลับประคองอัญเชิีและพัดวีเป็นต้นชื่อว่าการห้ามสามิชกรรมการไม่ทําสามิชกรรมนั้นทุกทราบในเวลาที่พิกจุผู้กําลังทําการกราบไหว้เป็นต้นตามลําดับไม่กระทําแก่พิจุรูปหนึ่งกระทําแก่พิกจุที่เหลือก็ด้วยอาการเพียงเท่านี้ชื่อว่าโจด ภพิกษุถามโดยเอื้อเฟื้อเฉพาะพิกษุผู้ที่ตนชอบใจแต่ว่าไม่ถามพิกษุผู้ที่ตนประสงค์จะโจดด้วยข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นด้วยอาการเพียงเท่านั้นยังไม่จับเป็นการโจดต้องทำสามิจฉกันพอทากับพิสูจรูปนั้นรูปนั้นพอไปถึงพิษุจนรูปนี้ก็ไม่ทำเขาก็จะถามล้ ว, ว่าทาไมถึงไม่ทาแต่ผมรเราไปที่รู้กันว่าจะโจดละ ในปาติโมกขัตถปณ ะ, ะขันธกะก็คือในหมวดหรือว่าในเรื่องของการงดปฏิโมกท่านพระอุบาลีเถระกล่าวการโจทย์ไว้อีกถึงร้อยสิบอย่างก็คือการโจทย์ที่ไม่เป็นธรรมห้าสิบห้าที่เป็นธรรมอีกห้าสิบห้าเป็นร้อยสิบคือตั้งต้นแต่พระดำรัสที่ตรัสว่าดูกรที่สุดทั้งหลายการงดปาติโมกที่ไม่เป็นธรรมหนึ่ง การงดปาธิโมกที่เป็นธรรมหนึ่งี่ก็หมวดหนึ่งเป็นธรรมกับไม่เป็นธรรมจนถึงพระดำรัสที่ตรัสไว้ว่าการงดปฏิโมกไม่เป็นธรรมสิบการงดปาธิโมกที่เป็นธรรมสิบก็คือตั้งแต่หนึ่งหมวดหนึ่งถึงหมดวดสิบนั่นแหละวิธีการงดปฏิโมกการโจทย์เหล่านั้นเป็นสามร้อยสามสิบทั้งแต่หมวดหนึ่งถึงหมวดสิบเป็นสามร้อยสามสิบคือ ของพิสูุผู้โจทย์ด้วยการได้เห็นเองร้อยสิบเพราะว่าการโจทย์ไม่เป็นธรรมห้าสิบห้าการโจทย์เป็นธรรมห้าสิบห้าตั้งแต่หมวดหนึ่งถึงหมวดสิแต่ว่าโดยอาการสามคูณอาการสามเข้าไปก็เลยเป็นสามร้อยสามสิบคือโจทย์ด้วยการได้เห็นเองร้อยสิบของพิสูุผู้โจทย์ด้วยการได้ยินร้อยสิบของพิสูุผู้โจทย์ด้วยความสงสัยร้อยสิบ ก็เป็นสามร้อยสามสิการโจทย์เหล่านั้นก็เอาสามคูณคือสําหรับพิสูจน์ผู้โจทย์ด้วยกายผู้โจทย์ด้วยวาจาผู้โจทย์ด้วยกายด้วยวาจาเลยคูณสามก็เป็นเก้าร้อยเก้าสิบการโจทย์เก้าร้อยเก้าสิบเหล่านั้นของพิกษจน์ผู้โจทย์ด้วยตนเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นโจทย์ก็ดีมีจํานวนเท่านั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นการโจทย์หนึ่งันเก้าร้อยแปดสิบยาม มีวิธีถรือว่ามีการโจทย์แยกแตกออกไปกลายเป็นหนึ่งพันเ้าร้อยแปดสิบอย่างบัณฑิตปึงทราบอีกว่าการโจทย์มีหลายพันด้วยอำนาจโจทย์ที่มีมูลและไม่มีมูลก็คูณสองขึ้นอีกในความต่างแห่งมูลมีเรื่องที่ได้เห็นเป็นต้นก็ยังตามแห่งโมลโดยการเห็นอะไรคูณเข้าไปก็กลายเป็นหลายพันเลยก็เมื่อเรื่องถูกนําเข้าไปในท่านกลางส่งแล้ว เริ่มาถีงการโจทย์อย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาการโจทย์ซึ่งมีประการดังกล่าวแล้วนี้สงพึงถามจำเลยและโจทย์ว่าพวกท่านจะพอใจด้วยการวิิจัยของพวกเราหรือถ้าโจทย์และจำเลยกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าจะตั้งอยู่ในคำวิิจัยของท่านสงพึงรับอธิกรณ์นั้นแต่เมื่อพวกโจทย์และจำเลยกล่าวว่าขอพวกท่านวิิจัยดูก่อนเถิดขอรับถ้าการวิิจัยนั้นจะควรแก่พวกกระผม พวกกระผมจักยอมรับสงก็พึงกล่าวคำเป็นต้นว่าพวกท่านจงไปไหว้พระเจดียก่อนแล้วพึงวิสัชนาทำพระสูตรให้ยาวๆก็คือไปสายทะยายหรือว่าไปแก้ปัญหาประสูตรยาวๆหาพวกเธอเหน็ดเหนื่อยตลอดกาลนานเป็นผู้มีสหายดลีไปเสียขาดพักพวกจึงขอร้องใหม่พระวิเนตรถึงห้ามเสียถึงสามครั้งแล้วพึงวินิจฉัยอธิกรณ์ของพวกเธอ ในเวลาพวกเธอหมดความมานะจองหองและพวกพิสูจนที่สงสมุติเมื่อเจ้าวินิจฉัยถ้ามีตาหายหนาแน่นด้วยพวกอนรัชีพึงวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นด้วยอุปาหิการยติก็คือต้องมีการทำยติต้องพิจารณาดูด้วยว่าพวกลารัชีมีมากถึงจะริสัชนาหรือว่าแก้ปัญหาให้ถ้าพวกอารัชีมีมากก็ยังไม่ทาให้ ถ้าสหายหนาแน่นด้วยพวกคนพาลพึงกล่าวว่าพวกท่านจงแสวงหาพระวินัยทรผู้เป็นสภาฆะของพวกท่านเถิดให้พวกเขาแสวงหาพระวินัยทรแล้วเพื่อระงับอธิกรณ์นั้นโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตุศาสตร์ซึ่งเป็นเครื่องระงรับอธิกรณ์นั้นมันถ้าเกิดเป็นพวกคนพาลเยอะนี่ก็ต้องให้ไปหาวินัยทรมาเหมือนกับไปอะไรอ่ะอธนายมาอธนายแก้ต่างมา ว่าเป็นคนโง่เขาคุยกันไม่รู้เรื่องก็มาโจกันห่างทํามวินัยก็ไม่ได้ต้องมีพระวินัยทรมาช่วยชี้แจงก็ในธรรมวินัยและสัตตุศาสตร์นั้นเรื่องที่เป็นจริงชื่อว่าธรรมการโจดและการให้การชื่อว่าวินยัยยติสมบัติและอนุสาวนาสมบัติชื่อว่าสัตตุศาสตร์า น, นี่การวินิฉัยโดยธรรมโดยวินยัยโดยสัตตุศาสตร์ก็หมายถึงว่า ไม่ได้ไฉโดยธรรมคือวิไฉโดยเรื่องที่จริงแม่วิ้ัยโดยวินยัยโดยการโจทย์และก็โดยการให้การต้องมีการโจทย์มีการให้การแล้วก็โดยสัจตุศาสตร์ตามคำสอนของพระศ า, าสดาก็คือต้องมีการตั้งย ต, ติมีอนุสาวรณาที่เป็นสมบัติก็คือไม่วิบัตินั่นเองเพระนาะฉะนั้นเมื่อโจทย์ยกเรื่องขึ้นฟ้องพระวินัยทรนพึงถามจําเลยว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงพระวินัยทรสอบสวนเรื่องอย่างนี้แล้ว โจทย์ด้เรื่องที่เป็นจริงให้จำเลยให้การแล้วเพื่อระงับอธิกรณ์นั้นด้วยยัติสมบัติและอนุสาวนาสมบัติถ้าว่าในโจทย์และจำเลยนั้นอลัชชีโจทย์จำเลยผู้เป็นลัชชีและอนัชชีนั้นเป็นพานไม่ฉลาดพระวินัยทรไม่พึงให้ในแกอลัชชีที่ตุนั้นแต่พึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านโจทย์ที่ตุนั้นเพระวิบัติอะไรแน่นอนอนัชชีที่ตุนั้นจะกล่าวว่า ท่านผู้เจริญที่ชื่อว่ากิมหินังนี้คืออะไรกิมหินังก็หมายถึงว่าโจดด้วยวิบัติอะไรนั่นแหละแต่ว่าผู้ที่เป็นอรชีนี่เป็นพานไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรก็พึงไล่เธอไปเสียด้วยคําว่าท่านไม่รู้จักแม้คําว่ากิมหินังท่านจะโจดที่ตุงนั้นในพระวิบัติอะไรไม่รู้นะจริงๆแล้วก็แปลว่าจะโจดพระวิบัติอะไรนะั่นแหละ พระวิเนยทรก็บอกกับทิกสุสผู้โจทที่เป็นคนพาณ น, นั้นว่าท่านเป็นคนโง่เห็นป่านนี้ไม่ควรโจทผู้อื่นพระวิเนยธรไม่พึงให้การซักถามแก่เธอแต่ถ้าว่าอารักีนั้นเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดสามารถจะกลบเกลื่อนให้สำเร็จได้ด้วยเรื่องที่ได้เห็นหรือด้วยเรื่องที่ได้ยินพึงให้การซักถามแก่โจทนั้นแล้วกระทำกรรม ตามปฏิญญาของจำเลยผู้เป็นลัชีนั่นแหลถ้าลัชีมาโจดรัรชีแต่ว่าเป็นคนฉลาดด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะแก้ไขต่อปัญหากลบเรือนอะไรต่างๆได้ฝัาสุที่เป็นวินัยทรก็จะต้องทำกรรมให้แล้วก็ถ้าลัชีปฏิญญาก็ปรับบาปถ้าลัชีไม่ปฏิญญาก็ยังปรับบาปไม่ได้ถ้าลัชีเป็นผู้ที่โจทดรัรชีผู้ที่มีศีลโจทรัผู้ที่ไม่มีศีล และลัชีนะเป็นคนโง่ au, ไม่เฉลียวฉลาดไม่อาจจะให้คําตอบข้อสักถามได้พระวิเนทรพึงให้ในายแก่ถือว่าท่านโจทย์พิสูจน์นเพราะเรื่องอะไรก็ต้องให้หนายนี้ไม่ใช่เป็นการลำเอียงแต่เป็นการที่เคารพพระธรรมวินัยให้ในายว่าท่านโจทย์ด้วยเรื่องอะไรเรื่องแห่งศีลวิบัติหรือเพราะเรื่องแห่งวิบัติอย่างอื่นในบรรดาอาจารวิบัติเป็นต้น ถามว่ากรเพาะเหตุไรจึงควรให้ในอย่างนี้แต่ละขีเท่านั้นไม่ควรให้ในแก่อลัะชีนอกนี้เล่าการลำเอียงพระอคติไม่สมควรแก่พระวินัยทรนไ่ใช่หรือตอบว่าการลำเอียงพระอคติไม่สมควรเลยแต่การให้ในนี้ไม่จัดเป็นการลำเอียงเพราะอาคติการนี้ชื่อว่าเป็นการอนุเคราะห์ธรรมจึงอยู่สิกขาบทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อต้องการข่มพวกอละชี และเพื่อต้องการยกจ้องพวกลัทธิในลัทธิและอนลัทธิเหล่านั้นอันลัทธิได้ในแล้วจะกลบเกลื่อนไปเสียไยลัทธิได้ในแล้วจะ ก, กล่าวยืนยันในเรื่องที่ได้เห็น้วยความสืบเนื่อง ก, กันกับเรื่องที่ได้เห็นในเรื่องที่ได้ยินโดยความสืบเนื่อง ก, กันกับเรื่องที่ได้ยินเพราะฉะนั้นการอนุเคราะห์รมจึงสมควรแก่ลัทธินั้นก็ถ้าว่าลัทธินั้นเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดยืนยันพูด แต่อารัชชีไม่ให้ปฏิญญาด้วยปฏิเสธว่าแม้เรื่องนี้ก็ไม่มีถึงเรื่องนั้นก็ไม่มีพึ่งปรับตาปฏิญญาของอารัก c h เหมือนกันก็คือถ้าอาักชียังไม่ยอมรับว่าตนเองไปทําสิ่งนั้นมาสิ่งนี้มาก็ยังปรับอบัติไม่ได้ศาสนานี้ให้ความเป็นธรรมนั้นก็ต้องปรับสบัตการปฏิ ญ, ญาส่วนโทษที่จะเกิดกับตนเองนั้น ตามิจูดใดที่ต้องอบัติแล้วก็ไม่ยอมรับก็เกิดโทษในตัวเองนั่นเองก็คืออบรมไตรสิกขาไม่เจริญไม่สามารถเจริญสมถาวอิปัสนาไม่สามารถบรรลุมขณ์แล้วก็ยังเป็นเครื่องกั้นต่อสวรรค์ด้วยทั้งมขผลทั้งสวรรค์แต่การที่มาตับประบัดกรรม น, นี้ก็เพื่อจะให้อยู่ภาสุกในทางกลางสง์ก็แลเมื่อแสดงเนื้อความนั้นผู้ศึกษาต้งทราบเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์ได้ยินว่า พระเถระจูดาภัยผู้ทรงไตรบิดกแสดงวินัยแก่พิสุทั้งหลายให้ภายใต้โลหกาศาสตร์เลิกวินิจฉัยในเวลาเย็นในเวลาพระเถระนั้นเลิกวินิจฉัยแล้วพิกสุทสองรูปผู้เป็นความกันในอัตถคดีได้ยังไถ่คาให้เป็นไปก็คือโจทกันนั่นเองมีเรื่องกันรูปหนึ่งไม่ให้ปติญญาโดยปฏิเสธว่าแม้เรื่องนี้ก็ไม่มีถึงเรื่องนั้นก็ไม่มี คราวนั้นเมื่อปฐมยามยังเหลือน้อยก็คือจะเข้าวัชชิมยามแล้วถ้าเถระเกิดความเข้าใจว่าไม่บริสุทธิ์ในบุคคลนั้นว่าผู้นี้ยืนยันพูดแต่ผู้นี้ไม่ให้ปฏิญญาคือโจทย์เนี่ยยืนยันว่าได้เห็นผู้นี้ล่วงอับบัจจริงแต่ว่าผู้ที่เป็นจำเลยนี้ไม่ยอมนะับและเรื่องชัดมาเป็นอุทาหรณ์ก็มีมากยกเรื่องนู้นเรื่องนี้มามากมาย กรรมนี้จะเป็นของอันบุคคลนั้นทําแล้วแน่นอนก็คือผู้ที่เป็นจําเด็เนี่ยต้องเป็ทำอบัตมาแล้วน่ะแล้วก็อ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้กลบเกลือนต่อจากนั้นพระเถระจึงเอาด้ามพัดเคาะที่ถุงรองเทา้าเป็นสัญญาณกล่าวว่าผู้มีอายุเราเป็นผู้ไม่สมควรวินิจฉัยท่านจงให้ผู้อื่นวินิจฉัยเถิดที่สูรูปนั้นถามว่าทําไมล่ะครับพระเถระจึงชี้แจงเรื่องนั้น ความเร่าร้อนเกิดขึ้นในกายของบุคคลผู้เป็นจำเลยครั้งนั้นจำเลยไหวพระเถระแล้วกล่าวว่าธรรมดาพระวินัยทอนผู้เหมาะสมเพื่อที่จะวินิจฉัยควรเป็นผู้เช่นท่านนั่นแหละและผู้โจทย์ก็ควรเป็นเช่นท่านผู้นี้แล้วแล้วนุ่งผ้าขาวกล่าวว่าผมทำให้ท่านลาบากนานแล้วขอขมาพระเถระแล้วก็หลีกไปอันนี้ก็ไม่ต้องไปโจทย์อะไรมากเพียงแต่ว่า บอกว่าเราไม่ให้การวิจัยหรือว่าเราไม่วิจัยให้หรอกเพราะว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้มันยืดเยื้ออย่างนี้โจทยืนยั น, ยนโจดแต่ผู้ที่เป็นจำเลยก็ไม่ปฏิญญาอ้างหนึ่งนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยเพราะฉะนั้นเราวิิจัยไม่ได้ผู้ที่เป็นจำเลยถ้าทำผิดอาบัตจริงก็ร้อนตัวไปเองอารัชีพิกสุถูกลักขีพิกสุโจดอยู่อย่างนี้เมื่อเรื่องแม้เป็นอันมากเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ให้ปฏิญญา อาลัทีพิสุนั้นพระวิญยารไม่ควรกล่าวเลยว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งไม่ควรกล่าวว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์บุคคลนี้ชื่อว่าตายทั้งเป็นชื่อว่าเน่าทั้งดิดก็คือไม่ให้การวินิจฉัยตายทั้งเป็นเลยคือตายจากคุณงาความดีตายจากโลภุตระธรรมก็เป็นผู้ที่เน่าทั้งดิดก็คื อ, อยังดิดๆอยู่เลยแล้วก็เน่าเพราะเป็นผู้ที่เน่าในด้วยอกุศลทั้งหลาย ก็ถ้าว่าเรื่องแม้อื่นเช่นนั้นเกิดขึ้นแก่เขาพระวิเนทอนไม่ต้องวินิจฉัยเขาจะต้องชิบหายไปอย่างนั้นนั่นเองอันหนึ่งถ้าอนรัชีพิกษุโจธรอนรัชีพิกษุด้วยกันคือทุสีด้วยกันอนรัชีด้วยกันไม่ละอายต่อบาปด้วยกันพระวิเนทอควรพูดแนะโจธนั้นว่าแน่คุณผู้นี้ใครๆไม่อาจว่าลราวอะไรตามคำของคุณได้ กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันกับฝ่ายจำเลยลก็บอกทั้งคู่เลยว่าคนนั้นน่ะนะไม่ควรไปว่ากล่าวเขาใครไปว่ากล่าวก็ไม่ได้หรอกแล้วก็บอกฝ่ายหนึ่งว่าคนนั้นน่ะใครไปโจทเขาไม่ได้หรอกแล้วก็ไล่ตรงไปด้วยคําว่าพวกเธอทั้งสองจงร่วมสมพวกบริโภค ก, กันอยู่เถิดก็เป็นคนอารัชีด้วยกันนั้นก็อยัดทะเลาะกันเลยไปอยู่ไปร่วมกินด้วยกันเริ่มน้อนด้วยกันเถอะไม่พึงทําการวิจัยแก่อารัชีทั้งสองนั้นเพื่อประโยชน์แก่ศีล แต่เพื่อประโยชน์แก่บาจีวันและบริเวณเป็นต้นได้พยานสมควรแล้วจึงควรทําถ้ามาเกี่ยวเนื่องกับบริฐานเกี่ยวเนื่องกับบริเวณของสงพวกนี้ควรจะต้องไม่ได้ใช่แต่ว่าก็จะต้องมีพยานรู้เห็นด้วยถ้าลัทธิพิกจุโจรลัทธิพิจุด้วยกันคือผู้ที่มีศีมีความละอายด้วยกันแล้วก็โจทกันและการวิวาทของพวกเธอมีเพียงเล็กน้อยในเรื่องบางเรื่องเท่านั้น พระวินัยทอนพึงให้ออมชรตกลงกันให้แสดงโทษร่วงเกินแล้วส่งไปด้วยคําว่าพวกเธอจงอย่าทําอย่างนี้ก็เป็นคนที่มีความละอายมีศีลด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กน้อยต่อกันก็ให้อภัยกันเถอะถ้าไม่ใช่เรื่องของการต้องอาบัติก็ถ้าในโจทย์และจําเลยนั้นจําเลยครั้งพลาดผิดไปแกล้งต้องอาบัติด้วยการพูดเท็จเพราะต้องการรักษาหน้าในท่ามกลางบริษัทเป็นต้น ชื่อว่าอารัชีตั้งแต่แรกไม่มีและจำเลยนั้นไม่ให้ปฏิญญาก็าคออือยัองไม่ยอมรับเพื่อต้องการรักษาพักพวกพิกจุหลายรูปลุกขึ้นด้วยกล่าวว่าพวกเราเชื่อพวกเราเชื่อจำเลยนั้นจะเป็นผู้ปฏิญตุครั้งเดียวหรือสองครั้งตามปฏิญญาของพิกจุหลายรูปตานั้นก็ตามแต่ถ้าเธอไม่ตั้งอยู่ในฐานก็คือถ้ากลายเป็นอารัชีไปแล้วเนี่ยนะ ตั้งแต่เวลาพูดผิดไปไม่พึงให้ตางวิิจัยเพราะว่าคนที่มีตีนมีความละอายแต่ว่าก็กลายเป็นคนทุศีสนไม่ละอายไปได้กลายเป็นอรชีไปได้เพราะว่าการเสพครบอาการอรชีที่มีอาการสามอย่างก็คือเป็นผู้ที่แกล้งล่วงอบัตตัวต้องอบัตเแล้วไม่แสดงคืนแล้วก็เป็นผู้ที่มีอัคติอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอรชีตัวว่าเป็นอบัตแล้วก็ยังแกล้งล่วงเมื่อเป็นอบัตแล้วก็ไม่ยอมแสดงคืน เป็นผู้ที่มีอาการเป็นปกติอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอรชีแต่ว่า parole, ถ้าเป็นคนทุศีนในบาลีพุทธวตทุศีนนี่หมายถึงว่าต้องอบัติปราชิกเลยนะอาจจะระวิปัสสนี้ก็ต้องอับบัตอื่นๆที่เป็นอบัติเบาก็พิจูตผู้จับวินิจฉัยเรื่องอธินาทานก็คือเรื่องการรับทรัพย์พึงกําหนดอวหารยี่สิบห้าอย่างก็คือเรื่องการรัยี่สิบห้าอย่างให้ดี พระวินัยทรผู้ฉลาดในอาหารเหล่านั้นไม่พึงวินิจฉัยเรื่องที่ยังลงด้วยความรีบด่วนอย่าด่วนอย่ารีบในการวินิจฉัยอย่าพึงตัดสินพึงตรวจดูฐานะห้าประการซึ่งพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าพระวินัยทรผู้ฉลาดพึงสอบสวนฐานะห้าประการคือวัตถุไปถึงเรื่องที่ต้องอบัติกาละก็หมายถึงเวลาที่ต้องอบัับเทศะหมายถึงประเทศที่ต้องอบัตินั้น แล้วก็ราคาของวัตถุข้างของนั้นที่เขารักไปราคาเท่าไรแล้วก็การใช้สอยเป็นที่ห้าแล้วพึงทรงอัดทคดีไว้ดังนี้การใช้สอยก็คือถ้าของใหม่ราคาก็มากถ้าของเก่าใช้ไปแล้วราคาก็ต้องลดลงด้วยบรรดาฐานะทั้งห้านั้นวัตถุได้แก่พันดะก็คือของวัตถุหมายถึงของที่รักนั่นแหละ ก็เมื่อพิสูุพูดแล้วแม้รับเป็นสัตว่าพันดะชื่อนี้ผมรับไปจริงก็คือขโมยของรับไปจริงพระวิเนทอนอย่าเพิ่งยกอาบัต ข, ขึ้นกับทันทีพึงพิจารณาว่าพันดะนั้นมีเจ้าของหรือว่าหาเจ้าของมีได้แม้ในพันดะที่มีเจ้าของก็พึงพิจารณาว่าเจ้าของยังเสียดายอยู่หรือว่าไม่เสียดายแล้วถ้าพิกูจรับในเวลาที่เจ้าของเหล่านั้นยังเสียดาย เราวินัยถอนผุดที่ราคาแล้วก็ปรับอบัติถ้ารักในเวลาที่เจ้าของหาอาไรไม่ได้ไม่พึงปรับอบัตปาราชิกแต่เมื่อเจ้าของพันดะให้นําพันดะมาคืนพึงให้พันดะคืนนี้เป็นความชอบในเรื่องนี้คือถ้าเจ้าของไม่เสียดายแล้วนะรักไปนี่แค่ต้องอบัติทุกกฎเพว่าเจ้าของเขาไม่หงษ์แหนต้ออาอ ბ ัตทุกกฎเจ้าหงแหนแล้วก็ต้องพิจารณาว่าถ้าตั้งแต่ห้ามาส่งขึ้นไปก็ปาราชิก ต่ำกว่าห้ามาสกลงมาเกินกว่าหนึ่งมาศก็ถูดจิใจตั้งแต่หนึ่งมาสกลงมาเป็นธรรมะแค่ทุกก์ก็เพื่อแสดงเนื้อความนี้ควรนำเรื่องมาสาธกดังต่อไปนี้ได้ยินว่าในรัชกาลแห่งพระเจ้าพาติยราชมีที่ตุรูปหนึ่งผ้าผ้าตาสาวาสสีเหลืองยาวจัดสอกไว้ที่จงนอยบาแล้วเข้าไปยังลานพระเจดียจากพิทักษิณเพื่อบูชาพระมหาเจดีย ขณะนั้นเองแม้พระราชาก็เสด็จมาเพื่อถวายบังคมพระเจดีย์เวลานั้นเมื่อพวกราชบรุษกำลังไล่ต้อนหมู่ชนไปความอลเวงแห่งมหาชนก็ได้มีขึ้นแล้วคราวนั้นและที่ตัวรูปนั้นถูกความอลเวงแห่งมหาชนรบกวนแล้วไม่ทันได้เห็นผ้ากาสาวะซึ่งพลัดตกไปจากจงอยบาเลยก็ได้เดินออกไปก็แลครั้นเดินออกไปแล้ว เมื่อไม่เห็นผ้ากาสาวะก็ทอดทุรกว่าใครจะหาผ้ากาสาวะได้ในเมื่อฝูงชนอลเวงอยู่เช่นนี้บัดนี้ผ้ากาสาวะนั้นไม่ใช่ของเราดังนี้ก็สละเลยเพราะว่าขี้เกียจจะหาและคนเยอะแยะถึงอย่างนี้แล้วก็เดินออกไปคราวนั้นมีพิจุรูปอื่นเดินมาภายหลังได้เห็นผ้ากาสาวะ น, น, นั้นแล้วก็ถือเอาด้วยไถยจิตแต่กลับมีความเดือดร้อนขึ้น เมื่อเกิดความคิดขึ้นว่าบัดนี้เราไม่เป็นสมณะเราจักศึกแล้วจึงคิดว่าเราจักถามพระวินัยทรทั้งหลายจึงจักรู้ได้ก็โดยสมัยนั้นมีีิจุผู้ทรงพระปริยัต์ทั้งปวงชื่อว่าจุลสุมาณเถระเป็นปามโมกหาจารย์ทางพระวินัยพักอยู่ในมหาวิหารีิสุรูปนั้นก็ไปหาพระเถระแล้วไหวขอโอกาสแล้วจึงได้เรียนถามข้อสงสัยของตน พระเถระทราบความที่ผ้ากาสาวะอพิตุผู้มาภายหลังรูปนั้นถือเอาในเมื่อผูงชนแยกกันไปแล้วคิดว่าคราวนี้ก็มีโอกาสในการได้ผ้ากาสาวะนี้จึงได้กล่าวว่าหมายถึงว่ามีโอกาสในการที่จะวินิจฉัยในเรื่องการนาผ้ากาสาวะนี้นะจึงได้กล่าวว่าถ้าควรพึงนำภิกตุผู้เป็นเจ้าของผ้ากาสาวะมาได้ไซ ข้าพเจ้าอาจทาที่เพิ่มให้แก่คุณได้ถ้าไปนําเจ้าของภาพการสะวามาก็จะวินิจฉัยได้พิกตูรูปนั้นเรียนว่ากระผมจะเห็นท่านรูปนั้นได้อย่างไรขอรับถ้าเถระสั่งว่าคุณจงไปค้นดูในทิศนั้นเถิดเธอรูปนั้นก็ค้นดูมหาวิหารทั้งห้าแห่งก็มิได้พบเห็นเลยทีนั้นพระเถระถามเธอรูปนั้นว่าพวกพิกตุพากันมาจากทิศไหนมากเธอรูปนั้นก็เรียนว่า จากทิศทักษิณขอรับพระเถระสั่งว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงวัดผ้ากาสาวะทั้งโดยส่วนยาวและโดยส่วนกว้างแล้วเก็บไว้ครั้นเก็บแล้วจงค้นหาตามลำดับพิหารทางด้านทิศทักษิณแล้วนําพิกุรูปนั้นมาเธอรูปนั้นทําตามคือพิตุผู้รับผ้าก็ทําตามคําสั่งนั้นแล้วก็ได้พบพิกุรูปนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของผ้าแล้วได้ดนํามายังสํานักพระเถระ พระเถระถามว่านี้ผ้ากาสะวะของเธอหรือพิจุเจ้าของผ้าเรียนว่าใช่ขอรับพระเถระถามว่าเธอทําตกณที่ไหนก็พระเถระได้ฟังว่าพิจุนั้นทําการทอดธุระในจีวรแล้วจึงถามพิกจุอีกรูปหนึ่งว่าท่านเห็นผ้าผืนนี้ในที่ไหนจึงได้รักเอาพิจุรูปนั้นก็เรียนบอกเรื่องทั้งหมดต่อจากนั้นพระเถระจึงกล่าวกับพิกจุรูปที่ถือเอาผ้านั้นว่า ถ้าเธอจักได้ถือเอาด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วใช้เธอก็ไม่พึงเป็นอาบัติเลยแต่เพราะถือเอาด้วยไถยจิตเธอจึงต้องอาบัติทุกกฎครั้นเธอแสดงอาบัติทุกกฎนั้นแล้วจักเป็นผู้ไม่มีอาบัติก็เพราะว่าถือเอาวัตถุสิ่งของของผู้ที่เขาสลัดแล้วก็กลายเป็นของไม่มีเจ้าของก็อาบัติแค่ทุกกเท่านั้นอันหนึ่งเธอจงทาผ้าก า, าสาะวขะืนนี้ให้เป็นของตน แล้วถวายคืนแก่พิกจุรูปนั้นนั่นเถิดพิกจุรูปนั้นได้ประสบความเบาใจเป็นอย่างยิ่งเหมือนกับได้รดด้วยน้ำำําอมฤตฉะนั้นพระวิเนทพรถึงสอบส่งถึงวัตถุอย่างนี้ก็โชคดียอย่างมากเลยนะได้พระวิเนทพรผู้ฉลาดทรงทวินัยก็เลยทำให้ตนรอดพ้นจากบาปปาราชิกดํารงอยู่ในตัณห า, นนาบําเพ็ญบา ร, รมีเพื่อความหลุดพ้นต่อไปได้วันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ เพื่อเฝื้อตอบพระวินัยแล้วก็ศึกษาคำตามคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าบำาเพ็ยสมณธรรมความเพียรไตรสิกขาเพื่อความบรรลุความหลุดพ้นความพ้นจากทุกข์โดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุ